สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันศุกร์ประเสริฐนะครับเราอยู่ในชวิตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยหกสิบเอ็ดเรื่องเอกลักษณ์ความตายของพระเยซูพี่น้องครับพระโจนะของพระเจ้าในวันนี้ไม่ได้อยู่ในพัฒกิติคุณครับแต่ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองโครินบทที่ห้าสองโครินบทที่ห้าข้อสิบสี่และสิบห้าโปรดฟังพระโนะของพระเจ้า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 และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายพี่น้องครับเอกลักษณ์ของการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์นั้นไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครถือว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งแต่ความตายนั้นหลายหายคนไม่อยากพูดถึงครับแต่ความตายของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นความตายที่ทุกคนพูดและพูดกันมากที่สุดมากที่สุดนะครับ เป็นคนเดียวที่การสิ้นพระชนของพระองค์ถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดและคริสตจักรยุคแรกได้รับการสอนเรื่องการตายของพระเยซูคริสต์อย่างละเอียดและการตายของพระองค์นั้นยังคงมีพลังและเป็นแรงผลักดันกับชีวิตของผู้คนตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับพี่น้องคริสตจักในยุคของเราซึ่งเป็นยุคสุดท้าย ก็จะต้องจําเป็นอย่างยิ่งที่จะรับการสอนเรื่องการสิ้นพชนของพระเยซูอย่างละเอียดและซาบซึ้งเพื่อที่เราจะรู้สัจธรรมความจริงของพระเจ้าเพื่อที่เราจะซาบซึ้งเพื่อที่เราจะปรารณาตัวในการรับใช้โปร่งทําตามน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับเพิ่มพีผู้เขียนฮีบรูได้กล่าวว่าพระเยซูกิษณ์นั้นได้ทรงชิมความตายเพื่อทุกคนคําว่าชิมความตายนั้นก็คือ ได้สัมผัสความตายครับแต่ความตายไม่สามารถที่จะทำอะไรพระเยซูได้พระองค์ไม่เพียงแต่ลิ้มรสการตายฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่ยังทรงสัมผัสกับอำนาจแห่งความตายที่รุนแรงและน่ากลัวอีกด้วยจึงเป็นเหตุที่ความตายของพระเยซูนั้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษอย่างยิ่งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเป็นความตายฝ่ายวิญ ญ, ญาณก็คือพระเยซูถูกแยกจากพระบิดานะครับช่วงเวลา ประมาณสามชั่วโมงที่เปเยซูได้อยู่บนแม่งเขนครึ่งหลังนะครับขณะที่เปเยซูร้รองว่าเอลีเอลีลามาสบักธานีแต่ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าเหตุไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองคเสียเพนองครับเป็นความตายที่ยังไม่มีใครเคยลิ้มรสแบบนี้และสามารถสัมผัสได้เลยเป็นความตายที่รุนแรงและน่นนากลัวที่สุดครับ แต่พระเยซูของเราทรงยอมเชื่อฟังจนกระทั่งถึงความบรมนาแม้กระทั่งความบรมนาที่กางเขนปรากฏอยู่ในฟิลิปปีบทที่สองข้อแปดครับพี่น้องครับอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเต็มใจเต็มพระทัยที่จะตายทรงเลือกที่จะตายเพราะนั่นเป็นการเลือกที่จะเชื่อฟังน้ำมันไทยของพระเจ้าในสวนเก็บเซมานีนั้นพระเยซูกำลังปั้าสู้กับความอ่อนแอฝ่ายร่างกาย พระเยซูทรงนิ่งเงียบอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนอยู่ต่อหน้าผู้วิพากษาอยู่ต่อหน้าพวกธรรมจารย์พระเยซูพูดน้อยที่สุดพระเยซูพูดเพื่อที่จะบรรยายถึงเอกลักษณ์ไอดีนติฟตัวเองว่าตัวเองเป็นใครพระองค์เองเป็นใครหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนิ่งเงียบแทนที่จะโต้แยง้งพูดกล่าวหาพี่น้องครับพระเยซูไม่ยอมเสด็จลงมาจากกัางเขนแม้ว่าพระองค์จะสามารถ เรียกทูตสวรรค์12กองพลมาช่วยได้สิ่งที่ทำให้พระองค์ยอมถูกตึงไม้เข็นขนั้นไม่ใช่ตัวตะปูหัวใหญ่แต่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ครับและเป็นการยอมเชื่อฟังน้ำาัไทยของพระบิดาพระเยซูทรงรักและเชื่อฟังแม้ว่ามีหลายสิ่งที่ทำให้พระองค์หลีกเลี่ยงบ่ายเบียงเลี่ยงหลบได้หรือพระองค์อาจจะให บังเกิดทางเลือกที่ง่ายกว่าแต่แม้ในยามที่จิตสำนึกของพระองค์นั้นพระองค์รู้ว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนจิตสำนึกยามที่จิตสำนึกของความของพระองค์ถึงความจริงอันเป็นนิรันด์จะถูกบทบังไปก็ตามพี่นงครับการเต็มใจยอมเชื่อฟังแบบพระเยซูนี้ทำให้การไถ่ที่มาถึงพวกเรานั้นมีคุณค่ายิ่งใหญ่มหาศาลและทาให้พระองค์เองนั้น เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราพี่น้องครับไม่มีทางเลยที่เราจะเรียนแบบการตายของพระเยซูได้หมดนะครับเพราะพระเยซูได้ทรงทําลายความตายให้สูญสิ้นโปร่งทรงทําให้ชีวิตและสะภาพอวตะปรากฏชัดขึ้นพี่น้องครับให้เราพิจารณาอย่างละเอียดสิครับถ้าเรานั่งลงคิดทีนี้พิจารณาอย่างละเอียดเราก็จะรู้ว่าความตายนั้นจริงๆแล้วเป็น ตูตัวชักกะที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าค่าแจ้งของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ถึงความตายในวันนี้พระเยซูปะทะกับความตายปะทะกับอำ น, นาจของความตายหลายอย่างครับก็คือการชุบชีวิตลูกสาวของ ย, ยรัส พี่น้องคงจําได้นะครับลูกชายของแม่ไม้ที่นาอินหรือแม้กระทั่งน้องที่รักของพระองค์คือลาสลัสเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกับพระเยซูมากพระเยซูก็สั่งให้เขาเป็นขึ้นเหนือความตายแต่ตอนนี้เองครับพระองค์ต้องเผชิญกับความตายด้วยตัวของพระองค์เองครับพระองค์ต้องต่อสู้กับความตายขั้นเด็ดขาดและไม่มีทางอื่นที่จะหลีกเลี่ยงไม่มีทางอื่นที่จะจัดการกับความตาย นี่ได้พี่น้องครับนี่คือจุดสูงสุดของพระกิติคุณจุดสูงสุดของพระคุณจุดสูงสุดของความรักเมตตาจุดสูงสุดที่พระเจ้าทําให้กับเราพี่น้องครับเราจะตอบสนองสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดมานั้นได้อย่างไรเอกะลักษณ์การสิ้นพชนของพระเยซูข้ามพีบันทึกว่าวินาทีที่พระคิดสิ้นพชนนั้น ม่านในพระวิหารก็ฉีดขาดออกมาเป็นสองท่อนพี่น้องครับม่านนั้นกั้นระหว่างวิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถานที่พี่ที่น้องได้เคยฟังบรรยายมาแล้วในพระธรรมฮีบรูตลอดทั้งเล่มพี่น้องครับพระเยซูเป็นมหาปุโรหิต ท, ที่เข้าไปในอภิสุทธิสถานเป็นการทําลายอุปสรรคม่านคืออุปสรรคที่ขวางกั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าม่านนั้นก็ขาดออก ม่านเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าไม่มีทางที่เราจะเข้าไปถึงพระพักของพระเจ้าได้บัดนี้ม่านนั้นถูกขัดถูกตัดออกขาดออกไปแล้วพี่น้องครับเหมือนกับประตูสวนแห่งเอเดนที่ปิดสนิทพี่น้องจาได้ใช่ไหมครับทําให้อาดัมเอวาไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในสวนเอเดนอีกต่อไปพี่น้องครับม่านที่ขาดตลอดทั้งสองท่อนนี้จึงเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าพระคริสต์ได้ทรงเปิดหนทางให้กับ มนุษย์กลับสู่บ้านที่แท้จริงของพระเจ้าการเกิดเหตุแผ่นดินไว้ต่างๆก็ดีอุโมงค์ฝังศพต่างๆก็เปิดออกก็ดีเหล่าธรรมิชชนทั้งหลายที่ล่วงหลับไปก็เป็นขึ้นมาก็ดีพี่น้องครับแท้จริงแล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดและบางสิ่งที่อศัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพระเจ้ากําลังให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ทางการสิ้นพระชนของพระองค์แต่นี่คือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาก ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไว้ไม่ว่าจะเป็นการกลับใจใหม่ของบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อและเป็นศัตรูกับพระองค์พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าแม้กระทั่งนายทหารที่เก้าราวนายทหารโรมันที่เก้าราวเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนเขาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในที่สุดการสิ้นชระชนของพระเยซูนั้นทําให้เขากลับใจและก็บอกว่าแท้จริงแล้วคนนี้เป็นบุตรของพระเจ้า ในขณะที่โยเซฟชาวอาริมาเทียเป็นเศรษฐีเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเป็นฟาริสีเป็นสมาชิกในสภาของพวกยิวพี่น้องครับสองคนนี้นะครับอยู่ในอยู่ในฐานะเดียวกันนะครับอยู่ในฐานะเดียวกันก็คือเป็นผู้เชื่อในที่สุดซึ่งแต่เดิมนั้นเขาอยู่ต่างกันครับคนนึงเป็นคนโรมคนนึงเป็นคนยิวเป็นศัตรูกรรันแต่ในที่สุดก็มาเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องครับ เอกลักษณ์การสิ้นพชนของพระเยซูทําให้สาวกลับรับของพระเยซูหลายคนครับก็คือโยเซฟชาวอาริมาเทียนะครับหรือนิโคเดมัสนะครับก็มีความกล้าที่ออกมาเปิดเผยตัวต่วตอสาธารณชนพี่น้องครับการสิ้นพชนของพระองค์ถ้าเราติดตามอย่างดีแล้วเราเห็นภาพอย่างดีพี่น้องครับเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่ทราบซึ้งและตอบสนองเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่ทราบซึ้งและตอบสนองครับพี่น้อง ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในวันนี้ที่เราจะทราบซึ่งและตอบสนองแต่ผมหวังว่ามีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของพี่น้องรวมทั้งผมด้วยจะเปลี่ยนแปลงจะเกิดจากการตอบสนองในการทราบซึ่งในพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูสิ้นพระชนม์และการตายที่เป็นเอกลักษณ์ของพระองค์พี่น้องครับความรักนั้นอยู่เหนือทุกสิ่งหมายที่สุดความรักจะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งให้เราเรียนแบบการตายของพระเยซู ตายต่อตัวเองมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ข้อสิบห้าของสองโครินบทที่ห้าได้บอกว่าและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองเอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนอาเมน